โลกอื่นที่มีนัยยะเกินกว่าพระเจ้าริบไปนั้นมีอีกมากโลกนัยยะที่สำคัญมากก็คือหมายถึงจิตใจคนที่มันมีความหมุนวนไปมาสัมผัสสัมพันธ์กันปรุงแต่งอยู่ในจิตสังขาร มีความหมุนวนไปมาเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างอยู่ในจิตใจเวทนาเป็นต้นโลกจึงเป็นความหมุนวนไปมาเป็นอาการอยู่ในจิตของธรรมะสองบางธรรมะสามสี่ห้าและอื่นอื่นบ้าง ปรุงแต่งกันอยู่เป็นสังขารมากมายนับไม่ถ้วนจัดอยู่ในรูปกายนามกายซึ่งมีอาการปรุงแต่งวนกลับไปมาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็คือความสัมพันธ์ที่หมุนเวียนนั่นเอง r e เรชั่น ซึ่งเป็นอาการปรุงแต่งกันขึ้นเป็นนิยายของโลกอันมีมนุษย์เป็นตัวแสดงและมีคนกว่าครึ่งโลกเชื่อกันว่าพระเจ้าทั้งเขียนบททั้งกำกับควบคุมบงการอยู่ในโลกแต่ก็มีคนไม่น้อยในโลกที่ศึกษาฝึกฝน จนกระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าโลกหรืออาตาที่เป็นองค์ประชุมของรูปกายและนามกายธรรมะสองเท่ากับทเวธรรมมาล้วนเกิดจากเหตุนิทานสมุทัยปัจจัย ่จะต้องศึกษาปฏิบัติให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นอาการของโลกหรือความหมุนวนไปมาของจิตในตนเองและสามารถบรรลุความจริงแท้นี้ได้เป็นที่สุดสำเร็จสมบูรณ์ ผู้นั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิเวทและยังมีโลกในในยะอื่นอื่นอีกมากมายซึ่งโลกทั้งหลายทั้งหมดดังกล่าวมาก็ดีอย่างไม่ได้กล่าวก็ดีในศาสนาแบบเทวนิยมนั้นถือว่าพระเจ้าสร้าง ยกให้พระเจ้ามีอำนาจบงการแต่ผู้เดียวคนที่เชื่อตามเทวนิยมจึงหมดสิทธิ์ที่จะมีการศึกษาพบทฤษฎีที่เข้าไปอย่างรู้ความเป็นจริงของชีวิตหรือของตนอาตาและของโลกชีวิตแต่ละคนจึงเป็นนิยายที่พระเจ้าเขียนบท กรรมกับการแสดงชี้ตายชี้เป็นเองทั้งสิ้น